นะก็ร้องไห้ด้วยนะมากับลูกชายลูกชายก็สามสิบสีแล้วมั้งโตก็ให้อาตมาช่วยพูดแนะนำเขาหน่อยนะว่าจะทำอย่างไรดีก็ลองถามเขาว่าเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยทั้งชีวิตนี้คิดว่าเขา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 ประสบภาวะเรียกว่าล้มทั้งยืนไม่ได้ล้มบนฟูกด้วยนะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมีลายหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อที่เขาทำธุรกิจมาเรื่องเกี่ยวกับก่อสร้างตอนหลังก็เกิดปัญหาค่าเงินบาทตกต่ำเขาก็เลยเป็นหนี้ประมาณเจ็0ันล้านธุรกิจพังยับเยินแต่แทนที่เขาจะท้อแท้สิ้นหวังเขาก็ ตั้งตัวตามกำลังที่เขามีคือขายแซนวิชชิ้นละ20บาทวันหนึ่งทำได้30ชิ้ น, นก็6 0 0บาทกำไรนี่อาจจะถึงอาจจะแค่1 0 0 200งร้อยเท่านั้นแหละถามเขาว่าวันนี้วันหนึ่งเขาหาได้ไหมหบาทเนี่ยเขามีปัญญาหาได้ถึง600บาทไหมเขาบอกว่าเขาหาได้มากกว่า น, นั้นนะแล้วก็บอกนี่ไงคนนี้เขาขายแซนวิช 30ชิ้นเลขขายตามโรงพยาบาลบางทีก็หนีตารวจเทศกิจจากคนที่เคยขับรถเบนต้องมาหนีตารวจเทศกิจหรือว่าตํารวจที่ไม่ให้ขายของในโรงพยาบาลเนี่ยแต่ในสุดเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้ธุรกิจเกี่ยวอาหารของเ ข, า ก, เขาก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าขอบคุณที่มีวิกฤตเศรษฐกิจปี4ศมนทาให้เขาเข้มแข็งขึ้น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 ไลยก็ไฟกรอนนีหนึ่งนะเศรษฐีนีโดนโกงไปหกสิบล้านนะทุกมากเลยหกสิบล้านแต่ว่าสองสามวันหลังจ้านั้นก็ยิ้มได้เพื่อนก็ถามว่าทำไมถึงย้มได้ได้เงินคืนหรือเปล่าก็ไม่ได้แต่เศรษฐีนีคนนี้ก็บอกว่าได้ได้มนได้คิดว่ายังมีบ้านหลังใหญ่นอนสบายยังมีอาหารอร่อยกิน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 ขนาดคนที่เป็นมะเร็งใกล้าตายเนี่ยก็ยังมีความสุขได้แล้วเหตุใดคนอย่างเขาซึ่งมีสุขภาพดียังอยู่ได้หลายปีทํำไมถึงคิดจะทําร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นเป็นอุทาหารณ์เนี่ยที่ที่ย้ําพวกเราในวันแรกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่ใครแต่คือจิตใจของเราเองจิตใจของเราเองนี่เนี่ยมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าสามารถจะ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 คนอื่นเนี่ยเขาทำร้ายเราอย่างมากก็ทำลายทรัพย์สินของเราหรือว่าทำร้ายร่างกายของเราคนอื่นทําได้แค่นี้นะไม่มีใครสามารถทำร้ายจิตใจเราได้มีคนเดียวในโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่ทำร้ายตัวเราเองได้ที่ทำร้ายจิตใจเราเองได้คือตัวเรานะปะนัญหาของผู้ชายคนนี้แล้วก็อีกหลายคนก็คือว่า จิตใจของเขาเนี่ยกำลังทำร้ายตัวเองเสียเงินไปนะอันนั้นคนอื่นทํทให้มีลูกจ้างขโมยเงินไปอันนี้ลูกจ้างหลังแกเขาแต่ลูกจ้างนั้นเนี่ยไม่สามารถจะทำร้ายจิตใจเขาได้มีแต่ตัวเขาเองนั่นแหละนะ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 เราไม่เพียงแต่ปล่อยให้คนเราไม่เพียงแต่ทุกข์เพราะว่าถูกกินแรงเท่านั้นแต่ว่าใจเราเองก็ซ้ำเติมตัวเองด้วยก็ <c oughs> มีตัวอย่างที่น่าสนใจนะอันนี้ก็พ่อพยอมนั่นก็เล่ามาให้ฟังอีกทีหนึ่งมาเด็กเนี่ยสามคนไปออกรายการของทีวีไทยเมื่อสักปีที่แล้วรายการพลเมืองเด็ก แต่การนี้ก็มีทุกอาทิตย์นะพวกเราาจะเคยดูเอาเด็กสามคนเปลี่ยนไปเรื่อยเนะรืยในทุกอาทิตย์มาทํากิจกรรมที่ปีเกี่ยวกรรับการบาเพ็ญประโยชน์เช็ดข้องม้าบ้างทําความสะอาดโรงเรียนบ้างแต่เที่ยวนี้เนี่ยให้ขนของคือนรถไฟรถนะไฟมันก็มีเวลาออกที่แน่นอนเดี๋ยวก็ทําหน้าที่ขนข น, นะต้องนะต้องเร่งกันขนนะเพลินวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอนี่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 คิดยังไงที่เพื่อนเขาทิ้งให้เราทำงานคนเดียวเธอก็บอกว่าก็เห็นใจเขาเพราะว่าเขาเป็นแฟนสมจิตนานๆก็จะได้ดูสมจิตชกนะ <c oughs> หนูก็ไม่ได้สนใจ <c oughs> ชกมวยก็เลยนะทำงานพิธีกรก็ถามตอบว่าแล้วหนูไม่คิด <c oughs> ไม่โกรธหรือไม่คิดด่าว่าเ้าเหรอที่เขาทิ้งให้หนูทำงานคนเดียวเธอก็ตอบมิได้ว่า<ๆ> หนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูไปโกรธหรือไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะหนูก็เลยเหนื่อยอย่างเดียวนี้บงเล็บนะแต่พวกเราเนี่ยพวกเราถ้าเป็นเราเราจะเหนื่อยกี่อย่างใช่是是เราจะเลือกเหนื่อยอย่างเดียวหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็เหนื่อยสองอย่างใช่ไหมคือเ <c oughs> หนื่อ ย, ยกายกับเหนื่อยใจเหนื่อยกายก็ขนทำงาน แต่เหนื่อยใจคือบ่นดาว่าเพื่อนเวลาเราทำงานเนี่ยคือเพื่อนเขาเอาเปรียบเราก็แค่เอาเปรียบงานเขาจะทำให้เราเดือดร้อนก็แค่เหนื่อยกายแต่เหนื่อยใจนี่เราทำเองใจที่มันบน่นใจที่มันวอยวายนี่เรียกว่าเป็นการเอาทุกข์มาทับถมตนนะคือไม่ได้แค่เหนื่อยอย่างเดียวเหนื่อย2 อ, อย่าง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 นะเพราะว่ามันแพงมันแพงกว่าที่คนอื่นที่จริงไม่แพงกว่าหรอกเพียงแต่ว่าถูกน้อยกว่าคนอื่นเท่านั้นเองอันนี้เราปฏิเสธความสุขโดยชอบทำโดยที่ไม่รู้ตัวเคยเล่าให้หลายคนฟังนะมีนักเล่นหุ้นคนหนึ่งเขาไปไปเจอป้าคนหนึ่ง ที่ตลาดหลักทรัพย์แกก็เป็นนักเล่นหุ้นนะตัวโยงเหมือนกันคุณป้าคนนี้ก็บอกว่าแกขายหุ้นไปเมื่อสองวันก่อนได้กำไรสิบล้านบาทกำไรนะยอดองเงินจริงๆไม่รู้ได้กำไร1ิบล้านบาทคนที่เล่าเขาก็เลยขอเลยพูดแสดงความยินดีด้วยครับ ขอแสดงความยินดีนะครับคุณป้าคุณป้าบอกแสดงความยินดีอะไรกันละ่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรร้อยี่สิบล้านแกไม่ยินดีนะระ้ววันรุ่งขึ้นแกก็ไม่มาที่ตลาดหลักทรัพย์คนที่เล่าเขาก็เลยไปถามบร็เกอร์ว่าคุณป้าหายไปไหนก็ได้คําตอบว่าแกเข้าโรงพยาบาลแกเครียดเนะ ครีที่ได้กําไรแค่สิบล้านนะคือแทนที่จะมีความพอใจในเงินสิบล้านสิบนะล้า น, นี่มันมันยิ่ง ก, กว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะแต่กลับทุกข์นะอันนี้เราว่าไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้ก็เป็นอาการหนึ่งใครที่ไม่พอใจในสิ่งที่มีเนี่ยก็เท่ากับว่ากําลังปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำนะ เป็นอย่างนี้กันมากนะนะคนเราเนี่ยถึงถึงไม่มีความสุขทั้งๆที่เรามีโอกาสที่จะได้รับความสุขตลอดเวลาที่จริงเราตระหนักหรือเปล่าการที่เรามีมีร่างกายปกติมีตามีหูมีจมูกอันนี้เนี่ยมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งที่เราควรจะชื่นชม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 ตอนรับสิ่งนี้เป็นโรคเลือดพวกเราคงทราบดีร่างกายเขาก็แค่แกรนอ่อนแอหมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกินยี่สินี่แกก็สามสิบละกระดูกหักเป็นประจำเข้าเฝือมาสิบกว่าครั้งละตัวแค่แกรนมากแต่ก็พูดไว้ดีนะว่าถึงแม้เลือดฉันจะแย่นะแต่ฉันยังมีตาไว้ เห็นสิ่งสวยงามนะฉันยังมีจมูกดมกลิ่นไพรล้อฉันยังมีหูฟังเสียงเพลงที่ไพรล้อดมกลิ่นที่หอมฟังเสียงเพลงที่ไพรล้อฉันยังปากกินของอร่อยได้ฉันยังมีร่างกายที่สามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้เนี่ยเพียงแค่เพียงแค่เนี้เขาก็รู้แล้วว่าความสุขเป็นของที่หามาได้ง่ายเขาบอกว่าเนี่ยเพียงแค่นี้แหละนะความสุขก็หาได้หาได้ง่ายแล้ว เราปฏิเสธนะความสุขที่ได้มาโดยชอบทำในแง่นี้ด้วยนะก็คือว่าทาั้งๆที่เรามีความสุขสบายดีแต่เราไม่เคยรู้สึกว่านี่คือความสุขพราใจเราไปกังวลกับอย่างอื่นอยากได้น่นอยากได้นี่นะอยากร่ารวยอยากมีตำแหน่งฐานะดีอะไรต่างๆอย่างผู้ชายคนที่เขาคิดฆ่าตัวตายเนี่ยก็ไม่รู้สึกเลย ว, ว่า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 ใช้เงินถูกใช้เงินเป็นแต่ว่าติดนะพอพอเศรษฐกิจลมเศรษฐกิจเกิดวิกฤตขึ้นมาธุรกิจล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าเงินถูกโกงไปทำใจไม่ได้เครียด <Create. S 2> เป็นโรคเซลิตในสมองแตกก็มีนี่เพราะเขายังติดนะติดในความสุขหรืออาจจะค่าตัวตายเพราะว่าอะไร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 เีนะือดติดในความสุขทั้งอดีตและปัจจุบันนะพระเจ้าบอกว่า เ, ออเราไม่ไม่พึงปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำแต่ว่าก็อย่าติดมันนะเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากนะข้อที่สามนี้ยาก่หยที่จริงมันยากแต่ข้อแรกแล้วละ่ะเพราะส่วนใหญ่ข้อแรกก็ไม่ผ่านแล้วก็คือว่าเอาทุกมาทับถมตน ป่วยกายเดี๋ยวไม่พอป่วยใจด้วยนะีนี้ข้อแต่ข้อที่3านี่ก็จะยากมากขึ้นนะคือว่าไม่ไม่ยึดติดในความสุขแม้จะเป็นความสุขที่ได้มาโดยชอบทำแม้เงินจะได้มาด้วยน้ำพัดน้ำแรงก็อย่าติดมันนะพอเราติดมันเมื่อไหร่นะมันจะไม่ใช่เป็นของเราแต่เราตั้งหาที่จะเป็นของมันนะทันทีที่เรายึดว่ามันมันเป็นของเรานะั้นเรากลายเป็นของมันทันที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 คนตายได้เพราะพ้องเนินนี้นะมีลายหนึ่งเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นเศรษฐีนะแกก็แปลกนะวันหนึ่งภรรยาไม่สบายภรรยาไม่สบายก็ก็เนื้อไม่สบายก็คงว่าเป็นปวดหัตัวร้อนธรรมดาก็เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ดกูอาการแล้วสงสัยว่าจะเป็นไส้ติ่งหรือเปล่า็อาการหนักหรือเปล่าก็เลยเช็คใหญ่เลยนะเป็นโรงพยาบาลก็ชน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 เขาเนี่ยเป็นของเงินแล้วให้เงินเป็นของเขานะเสียดายเงินเนี่ยแสดงว่าเงินมันทําให้เขาตายได้หวงแหงเงินจนทําให้ตรงยอมตายได้เสียดายมากไม่อยากจะไม่อยากจะคลายออกมาคนที่เสียดายเงินจนกระทังไม่อยากจะคลายออกมานี่แสดงว่าเขาเป็นของเงินแล้วให้เงินเป็นของเขาดังนั้นเราต้องระวังที่จริงข้อ3าข้อที่เราทําได้เนี่ยเพียงแค่ต้นข้อแรกเนี่ยชีวิตก็จะโปร่งเบาไปเยอะ แต่ถ้าทําได้ทั้งสมข้อก็จะยิ่งดีที่นีมีข้อที่สี่นะคือว่าผู้เจ้าตรัสว่าต้องหาทางดับทุกข์ด้วยนะนอกจากไม่เอาทุกข์มาทับถมตนแล้วข้อที่สี่ต้องหาทางดับทุกขนะ์คือทุกของเดิมที่มีอยู่ก็ต้องหาทางดับด้วยหนึ่งจะไปสร้างทุกข์ใหม่มาเพิ่มขึ้นนะสองหาความสุขโดยชอบธรรมสไม่ติดความสุขนั้น4ี่ให้ทุกข์เดิมก็ต้องหาทางแก้นะถ้าทําได้สอย่างนี้ก็เรียกชื่อนิปโปร่งโล่งเบาสบาย แต่ว่าทำข้อแรกได้ก็ก็ดีแล้วถ้าทำได้ข้อแรกนี้ก็เบาไปได้เยอะละเอาคำนี้ก็พูดกันท่า น, นี้นะ